นั่งสบายๆนะนั่งสบายก็คือว่า <c oughs> นั่งแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายนะผ่อนคลายกายผ่อนคลายใจด้วยนะบางครั้งเรานั่งนะกายผ่อนคลายแต่ใจไม่ผ่อนคลายนะใจผ่อนคลายคือแบบไหนนะใจที่รู้สึกว่ามันไม่แน่นไม่หนักไม่เครียด แต่ก็ไม่ใช่ผ่อนคลายจนกระทั่งมันเบามันลอยฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ไปคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่ใจลอยไม่ใช่เรียกว่าจมกับอารมณ์นะหรือว่าข่มอารมณ์ไว้นะจิตใจที่เรียกว่ามีสตินะอยู่กับการกระทำสักอย่างหนึ่งเช่นตั้งใจฟังก็อยู่กับการตั้งใจฟัง ตั้งใจยกมือก็เกี่ยวกับการตั้งใจยกมือให้มีการกระทำอะไรสักอย่างเป็นส่วนที่เด่นนะแต่บางคราวจิตก็ไปรู้สิ่งอื่นที่มันซ้อนเข้ามานะก็ไม่เป็นไรแต่ให้มีตัวเด่นสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีตัวเด่นสักอย่างหนึ่งนะจิตมันก็จะเรียกว่ามันก็จะสับสนนะเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็ยกมือนะหรือบางทีเดี๋ยวก็คิดตามไป แต่ถ้าเราตั้งใจให้มีอะไรเด่นสักอย่างหนึ่งแต่ที่จริงจิตก็ไม่รู้อย่างเดียวหรอกนะธรรมชาติของจิตมันเร็วนะบางทีเดียเด๋ยวก็รู้จากการฟังเดี๋ยวก็รู้จากการเคลื่อนไหวเดี๋ยวก็รู้สึกคิดไปนะเดี๋ยวก็คิดตามสิ่งที่ได้ฟังบ้างจิตคนเรามันเร็วมากนะดังนั้นเราก็เลยฝึกให้มันเรียกว่าไม่ใช่ฝึกจิตให้มันช้านะแต่ฝึกเพื่อให้มันตั้งใจทําอะไรสักอย่าง ถ้าเราไม่ฝึกให้จิตมันตั้งใจทําอะไรสักอย่างนะมันจะฟุ้งซ่านไปเรื่อยมันจะล่องรอยไปเรื่อยเหมือนกับเบ้าที่ไม่มีเชือกนะไม่มีเชือกคอยคอยดึงคอยชักนะลมมันปิวไปทางไหนมันก็ลอยไปเรื่อยถ้าเชือกมันขาดมันก็ล่องลอยตกไปที่อื่นเลยนะดังนั้นเชือกที่คอยชักคอยดึงให้เบ้ามันเรียกว่าไม่ ไม่หนีไปไกลหรือไปไกลก็สามารถดึงกลับมาได้เมื่อเวลาที่ต้องการให้มันกลับมานะสติเหมือนกับเชือกที่คอยดึงคอยชักไว้นะหรือเราจุงวัวจุงควายจุงสุนัขนะเชือกที่คอยจุงนะมันทําให้สุนัขกกวัวควายมันไม่หนีไปไกลจิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราที่มีสตินะมันจะเป็นสตินี้จะเป็นเชือกที่คอยคอยดึงคอยจุงไว้ไม่ให้มันมันออกไปไกล แต่ก็ไม่ใช่ผูกมัดไว้นะนไม่ใช่ผูกมัดรัดไว้ไม่ให้ไปไหนเลยเนี่ยความพอดีความเป็นกลางของจิตคือตรงนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ร่องลอยไปหรือไม่ใช่ว่ามัดไว้กับที่ไม่ให้มันหนีไปไหนความเป็นกลางของจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองในขณะที่เราเรียกว่าถ้าเรารู้ทันว่าอืมจิตที่มันร่องลอยไปเป็นแบบไหนหรือจิตที่มันผูกรัด กดข่มความคิดไว้ข่มอารมณ์ไว้มันเป็นแบบไหนจิตจะกลับมาเป็นปกติเป็นกลางเป็นเรียกว่ามันจะอยู่ตรงกลางของมันเองนะความเป็นกลางบางทีเรามักจะไปค้นหาไปคิดหาไปพยายามตั้งใจหาแต่จริงความเป็นกลางไม่ต้องตั้งใจหาไม่ต้องค้นหาเมื่อมันรู้สึกนะตัวเฉยเฉยนี่แหละความเป็นกลางก็เกิดขึ้นแล้วนะเมื่อมันรู้ทันว่าจิตมันเผลอไปคิด ความเป็นกลางนะก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อบรรู้ทันว่ามันเครียดมันขมความเป็นกลางก็เกิดขึ้นของมันเองนะเหมือนกับรูว่ายน้ำเนาะเวลาถ้าเราเคยดูการแข่งขันว่ายน้ำนะมีรูอยู่แปดรูนะมันก็มีเรียกว่ามีมีเส้นเชือกใหญ่ๆคอยคึงระหว่างแต่และรูเวลา ว, ว่ายน้ําไปบางทีก็ไม่ได้ดูเชือกทั้งสองข้างหรอก แต่พอไหวไปมันติดมันไปติดอีกฝั่งหนึ่งไปติดเชือกอีกฝั่งหนึ่งมันก็กลับมาตาารงกลางพอดีนะไหวไปไปติดเชือกอีกฝั่งหนึ่งมันก็กลับมาตรงกลางพอดีจิตที่เป็นกลางก็เป็นเช่นนั้นนะใหม่ๆไม่มีใครสามารถประคองจิตให้เป็นกลางได้ตลอดหร อ, อกนะก็ต้องรู้ทันตอนที่มันไม่เป็นกลางนี่แหละจิตจะเป็นกลางของมันเองนะหรือที่จริงการตั้งใจจะไปประคองจิตให้เป็นกลาง ไม่ให้จิตมันไม่ลงให้จิตมนุษย์อย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่ผิดเช่นเดียวกันเนาะจิตที่เป็นกลางไม่สามารถประคองไว้แต่จิตที่เป็นกลางสามารถที่จะฝึกหัดให้มันกลับมาเป็นกลางเป็นปกติได้จิตที่เป็นกลางจะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าจิตที่เรียกว่าควรแก่การงานนะเป็นจิตที่ตั้งมั่นควรแก่การงานการงานของจิตนะที่เราฝึกคืออะไรก็คือ ให้จิตมันตั้งมั่นในการตามรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงอารมณ์ในภาษาพระก็คือกายหรือว่าใจนี่แหละหรือว่ารูปหรือว่านางนี่แหละคืออารมณ์ที่จะให้จิตมันคอยตามรู้นะเราที่ไม่หลงไปที่อื่นก็คือคอยตามรู้กายที่เคลื่อนไหวอย่างหลวงพ่อเทียนก็จะแนะนำให้พวกเราตามรู้กายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะกายที่เคลื่อนไหวเป็นแบบไหนคอยรู้มันไปตอนนี้มันไหวแบบนี้ สักพักมันก็ต้องหยุดไปหรือบางทีมันก็มีกายส่วนอื่นที่เข้ามาแทรกความปวดความเมื่อยความเจ็บความหิวความหนาวความร้อนความคันมันเห็นว่ารูปหรือว่ากายนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายอันนี้แหละคือเราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นความเปลี่ยนแปลงของรูป ความเปลี่ยนแปลงของกายแล้วก็ดูมันไปแบบนี้ดูมันไปโดยใจที่เรียกว่าไม่ใช่มีเราเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นในกายนั้นเห็นกายเป็นแค่ส่วนหนึ่งมีสตินะสติที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันดูมันเห็นกายก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนามมันเห็นรูปนะเมื่อนามมันเห็นรูปมันก็สามารถแยกแยะได้อ้อเรื่องของรูปมันเป็นแบบนั้นเรื่องของนามมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พอขาดสติเมื่อไหร่รูปกับนามมัน ปนกันทุกทีเลยนะคล้ายแต่ก่อนนะมันเหมือนไข่ไก่นะไข่ไก่ไข่เป็ดก็ดีมันก็มีไข่ขาวก็มีไข่แดงเนาะมันอยู่ในไข่มันก็แยกกันอยู่นะอยู่แบบนั้นแต่พอเทลงมามันก็ยังแยกกันอยู่นะถ้ามันไม่แตกนะไข่ขาวก็ส่วนหนึ่งไข่แดงก็ส่วนหนึ่งแต่พอตีเมื่อไหร่คนกันเมื่อไหร่มันก็ผสมปนเปกันไปเลยจิตนะ จิตหรือว่าเป็นนามนะหรือว่ารูปหรือว่ากายก็ดีนะบางทีถ้าเราไม่รู้ทันมันนะมันจะผสมปนเปกันเลยเมื่อกายมันเจ็บเมื่อกายมันหนาวเมื่อกายมันหิวจิตก็กลายเป็นผู้เจ็บก็กลายเป็นผู้หนาวก็กลายเป็นผู้หิวตามไปด้วยสุดท้ายเมื่อกายมันตายจิตก็กระสับกระส่ายไม่ยอมรับการตายก็เป็นทุกข์ตามไปด้วยนะเราจะมาเห็นเนียโอ้เห็นเลยว่าเรื่องของรูปเป็นเรื่องของรูป นะไม่ใช่เรื่องของใครเรื่องของรูปยอมรับว่าเป็นเรื่องของรูปไม่ต้องไปโทษใครเรื่องของนามเป็นเรื่องของนามนะพอเราเห็นกายมันเคลื่อนไหวบ่อยๆนะจิตเราจะตั้งมั่นมากขึ้นเมื่อเห็นกายแน่นอนสิ่งที่สัมพันธ์กับกายก็คือจิตหรือว่านามธรรมเนี่ยแหละเมื่อดูกายไปบ่อยๆจะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถบังคับให้ดูกายให้รู้กายอย่างเดียวได้อก มันก็เห็นจิตมันคิดนึกอ้อมันไหลไปอีกแล้วนะวันวันนึ่นะชั่วโมงหนึ่งนะมันไหลไปเรื่อยเลยไหลไปไหนตาแค่เห็นรูปก็ไหลไปแล้วเดินจงกรมอยู่ดีดีมีรถขับผ่านมีคนเดินผ่านนกบินเข้ามาตาก็ไปแล้วหูได้ยินเสียงเสียงที่ไพเราะเสียงที่ไม่เพเราะก็ไป ไปชอบไปชังนะมันไปทางตาหูจมูกทางดิ้นตอนกินข้าวตอนกินน้ําลายนะอา่าทางกายแต่ที่สําคัญนะมันลงไปทางไหนไวนะบางทีเราอยู่ในการปฏิบัติในรูปแบบนะอยู่ในที่เดินจงกรมอยู่ในห้องนั่งปฏิบัติเดินปฏิบัติบางทีการแ ส, ส่ายไปในอารมณ์ปัจจุบันทางตาหูจมูกดิ้นกายมันก็มีไปบ้าง แต่บางทีมันก็เฉยเฉยเพราะมันอยู่ในออเดียบทซ้ําๆอยู่ในบรรยากาศเดิมเดิมมันก็ไม่ค่อยจะคิดนึกปรุงแต่งเท่าไรมันก็มีบ้างแต่ที่หลงไปบ่อยคือหลงทางใจสังเกตนะถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรื่องอดีตเนี่ยมันผุดเข้ามาตั้งแต่จำความได้แต่ก่อนไม่เคยคิดนะว่าตั้งแต่จำความได้มันย้อนไปถึงตอนไหนปีไหนเรื่องอะไรปฏิบัติธรรมไปมันผุดขึ้นมาสารพัด เรื่องดีใจเรื่องเสียใจเรื่องอกหักเรื่องสมหวังเรื่องอะไรสารพัดมันผุดเข้ามาสารพัดมากมายมันผุดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันไม่ยอมอยู่กับฐานในการกระทากิเลสมันก็เลยหาเครื่องแสดงตัวตนนะแสดงอาการให้เราไปหลงหเธอไม่หลงกับสิ่สงที่ตาเห็นหรเธอไม่หลงกับสิ่งที่หูได้ยินหรอ ดังนั้นฉันจะล่อให้เธอหลงตับสิ่งที่ใจคิดนึกนี่แหละนี่แหละมันเป็ น, นกลไกของกิเลสนะกิเลสเมื่อมันไม่สามารถเอาสิ่งที่หลงในอารมณ์ปัจจุบันได้มันก็ไปดึงอารมณ์ในอดีตมาล่อให้เราหลงเนี่ยเราต้องรู้ทันนะบางทีสิ่งที่ไม่ดีเรามักจะปฏิเสธได้ง่ายหรือละได้ง่ายแต่สิ่งที่ดีนะไปยึดไปจับอไหนที่เคยมีความสุขมีความดีใจมีความพอใจ มันสนุกคิดนะบางคนนะติดดีชอบทำบุญยิ่งคิดเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลเรื่องดีๆยิ่งพอใจยิ่งเพลินใจยิ่งสุขใจนี่แหละก็เป็นธรรมชาติที่จิตมันเรียกว่ามันรอให้เราหลงบางทีเราก็ไปคิดนะ hey, ทำไมเวลาเรื่องทุกข์ใจมันละไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่จริงเราก็สร้างความเคยชินพอรามีเรื่องสุขใจ เราก็ชอบคิดใช่ไหมบางทีเราเราจะเลือกปฏิบัติถ้าเรื่องที่ดีเราจะเอาเรื่องไม่ดีไม่เอานะที่จริงการเอาหรือการไม่เอาเนี่ยก็ผิดเหมือนกันแต่สิ่งที่ถูกคืออะไรดีก็ตามไม่ดีก็ตามรู้ทันเฉยรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นนะมันก็จะเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเชื่อใจ สิ่งที่ผู้เจ้าท่านสอนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะทุกข์มากขนาดไหนจะสุขมากขนาดไหนไม่มีอะไรคงทนแน่นอนดอกอะจะทุกข์ก็หายไปจะสุขก็หายไปแต่พอเราไม่รู้ทันใจเราก็จะไปจมไปจอ่อไปจ้องไปเรียกว่าไปผักใสไปยึดติดเข้าไว้นะ ถ้าคอยสังเกต อ, อารมณ์ในอดีตมันเข้ามาแต่บางคนก็ชอบคิดอารมณ์ในอนาคตนะบางทีพอจะปฏิบัติเพลินเพนนะบางทีมันละอดีตได้บ่อยขึ้นไอ้สิ่งที่มันจะมาร่อบ่อยนะอารมณ์อนาคตนี่แหละอารมณ์อนาคตส่วนใหญ่เป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์ดีๆนี่แหละมาล่อได้ให้ให้หลงง่ายปฏิบัติไปเพลินเพโอ้อยากไปทําดีอย่างงั้นอย่างนี้ทำบุญอย่างงั้นอย่างงี้ อยาไปบอกคนอย่างงั้นอย่างนี้นะอย่าไปชวนอย่าไปเผยแพร่นะอยากไปอย่างนั้นอย่างนี้ตัวใหญ่ไปอยากในทางที่ดีแล้วก็คิดโครงการคิดแผนการนะบางคนก็คิดคําเทศคําสอนเทศสอนตัวเองไปในใจเพื่อจะได้ไปสอนคนอื่นได้จะได้คล่องแคล่วอันะี้เนี่ยก็เป็นอารมณ์ที่มันมาลอกมาหลอกมาล่อเราทั้งนั้นนะบางคนก็เพลินในการคิดธรรมะขบธรรมะอันนะี้ อารมณ์พวนี้นะมันเป็นตัวดอให้เราหลงจากจากอะไรหลงจากการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมาหลงเข้าไปอยู่กับความคิดนะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นที่เราตามรู้กายที่เคลื่อนไหวเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่หลงไม่ไหลไปกับอารมณ์ไม่ไหลไปกับความคิดให้จิตมันมีกําลังให้จิตมันมีประสิทธิภาพ เมื่อจิตมันมีกำลังมันมีประสิทธิภาพคราวนี้มันก็จะรู้ทันความคิดรู้ทันจิตที่มันเผลอที่มันไหลไปเมื่อเราเห็นจิตที่มันเผลอที่มันไหลไปจิตจะกลับมาเป็นปกติของมันเองเพราะเอะไรเพราะจิตที่รู้ก็คือจิตจิตที่หลงไปก็คือจิตนะมันเป็นจิตคนละดวงกันแต่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเมื่อรู้ว่าเผลอไปนะมันจะกลายเป็นจิตปกติขึ้นมาแทนที่ เพราะอารมณ์หรือว่าจิตนะมันเกิดขึ้นได้ทีละขนาดเท่านั้นเมื่ออกุศลเกิดขึ้นกุศลก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อกุศลเกิดขึ้นนะอกุศลก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีสตินะจิตนะก็ไม่มีอกุศลเกิดขึ้นนะอันนี้เราก็ฝึกตรง น, นี้เราจะดูกายไปเรื่อยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงควาเป็นทุกข์ความที่บังคับไม่ได้ของกายจนกระทั่ง มันเริ่มเห็นที่จริงไม่ใช่แต่กายเท่านั้นจิตใจนมามธรรมก็เช่นเดียวกันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปบางทีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งกว่ากายได้ซ้ํากายต้องนั่งนานๆนะถึงจะปวดถึงจะเมื่อยนะยุงนานๆถึงจะมากัดให้เจ็บสักทีนะวันหนึ่งก็อาจจะหิวสองสามมือ้อก็นานๆเกิดขึ้นทีแต่จริงมันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่หลักแต่จิตใจนี่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะ เร็วยิ่งกดแสงยิ่งกดเสียงอีกได้ซ้ําบางทีนะตาเห็นรูปปุ๊บเกิดความสัญญาจําได้จําได้ว่ารูปอันเนี้ยเรียกว่ารูปสวยรูปไม่สวยเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความพอใจความไม่พอใจแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นจะเอาจะผักไปนะเกิดความปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่ อ, อนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะการมีสตินะไม่ใช่ว่านะ ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดความคิดความฟุ้งซ่านแต่เพียงแต่ว่าเราจะเรียกว่าได้หลักนะได้หลักเมื่อมันคิดปรุงแต่งไปจิตจะมีสติรู้ทันอนะสิ่งที่จะทําให้เราดูหรือว่าตรวจสอบเราได้ว่าเอเราปฏิบัติธรรมก้าวหน้าบ้างไหมนะปฏิบัติธรรมถูกทางบ้างหรือเปล่าก็ดูเลยว่าเนะี่ยเวลามันปรุงแต่งไปเรารู้ทันมันได้เร็วไหมนะมันไปไกลหรื อ, อยังนะ ไปไกลในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปเป็นระยะทางไกลนะไปถึงประเทศอื่นนะหรือว่าไปถึงกรุงเทพนะแต่ไปไกลในที่นี้ถึงว่ามันไปนานไหมแต่ก่อนเคยไปนะหลายนาทีหลายชั่วโมงต่อมาก็สั้นไม่ถึงนาทีไม่ถึงนะสิบวิ น, นาทีหรือบางทีไม่ทันจะเป็นเรื่องผุดขึ้นมาแป๊บหนึ่งไม่รู้เลยว่าเป็น อ, อกุศลหรือกุศลอะไรหรับ ไม่ทันจะเป็นเรื่องเป็นคำพูดได้ซ้าแค่รู้ว่าจิตมันกำลังจะคิดนะมันกำลังจะคิดจิตก็กลับมาเป็นปกติได้นะเนี่ยคือความรวดคือความว่องไวความรวดเร็วของสตินะเราจะทำให้เราตรวจสอบได้ว่าออการปฏิบัติธรรมของเรามันเรียกว่ามันถูกทางไหมนะมันก้าวหน้าได้ไดหรือเปล่าก็ดูอย่างนี้ส่วนหนึ่งคือว่าพอเวลามันเผลอไปคิดเรารู้ทันมันได้เร็วไหมนะ หรือบางทีบางคนไม่ค่อยเผลอไปคิดนะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์บางรูปบอกว่าจิตมันคิดมากฟุ้งซ่านมากเราทําไมไม่ฟุ้งซ่านขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปสงสัยนะบางคนก็อาจจะไม่คิดมากบางคนก็สบายสบา ย, บายไม่ค่อยชอบคิดนะก็เพลินพอใจที่จะรู้กายเคลื่อนไหวไปก็ไม่เป็นไรก็ประเมินดูว่าเออเรารู้กายได้บ่อยไหมนะรู้กายได้ไดเรื่อย รู้แล้วแต่ต้องรู้แบบที่เรียกว่าเป็นผู้รู้นะไม่ใช่เป็นผู้อยู่กับกายเห็นกายมันเคลื่อนไหวใจที่มีสติมันดูมันรู้อยู่ต่างหากนะนะมันรู้ของมันเห็นเลยว่าเออตัวรู้เป็นตัวหนึ่งตัวที่เคลื่อนไหวเป็นอีกตัวหนึ่งนะถ้าดูแบบนี้ได้ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ดูเพลินๆไปก็ได้เช่นเดียวกันนะก็เป็นจนะดิตนะ ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปหรือบางทีในคนคนเดียวกันแต่ละช่วงแต่ลเวลามันก็ไม่เหมือนกันนะบางวันมีเรื่องงานเรื่องการเรื่องครอบครัวเรื่องกระทบสัมพันธ์เรื่องทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นมันก็คิดฟุ้งซ่านมากบางวันโอ้มีความสุขมีความสบายมีแต่กันยนานมิตรมีแต่เรียกว่ามีแต่สิ่งที่เรียกเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ไม่ค่อยคิดอะไรไปเท่าไหร่มันก็เป็นไปได้ ดังนั้นที่จริงในแต่ละคนมันก็ยังแตกต่างกันไปเลยนะบางทีเราก็ไปคิดว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนเราต้องคิดเหมือนเรานะต้องเห็นเหมือนเราโอ้เนี่ยแหละความเป็นเราที่เป็นศูนย์กลางของวัด <c oughs> เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของอะไรก็แล้วแต่นะนะบางทีเราเอาตัวเรานะเป็นมาตรฐานในการวัดคนอื่นทําไมเขาไม่ทําเหมือนเราทําไมเขาไม่พูดเหมือนเรา ทำไมเขาไม่ขยันเหมือนเราอะไรเนะี่ยบางทีถ้าเราเอาตัวเราเป็นมาตรฐานในการวัดคนอื่นนะมันก็จะทุกข์มากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเราเองนะ่ะที่แท้จริงมันก็ไม่มีไอ้ที่สร้างตัวเราขึ้นมาก็เพราะกิเลสนี่ยแหละกิเลสตัณหามันสร้างตัวเราขึ้นมาแล้วเมื่ อ, อไหรที่เราไปยึดไว้เป็นอุปทานนั่นแหละตัวเรามันยิ่งเหนียวแน่นในเมื่อตัวเราที่แท้จริงไม่มีจะเอาตัวเราที่ไหนไปวัดคนอื่น เอากิเลสแต่ละไปให้คนอื่นให้เป็นเหมือนเรานะีมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะอันเนี้ยเราต้องคอยหมั่นดูดูดูกิเลส ท, ที่มันทํางานมันจะเห็นเลยว่าโอ้กิเลสต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้ความหลงไม่เข้าใจความจริงของชีวิตนี่เองนะการปฏิบัติธรรมมันก็จะทําให้เราค่อยๆลื้อถอนถ่ายถอนสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความหลงในจิตใจนี้นะ เมื่อเราถ่ายถอนความหลงความไม่รู้ในจิตใจมันก็เกิดความรู้นะเกิดความเข้าใจเข้ามาแทนที่เหมือนกับความมืดเนาะตอนนี้กาลังจะมืดเมื่อเปิดไฟก็มีแสงสว่างขึ้นมาแทนที่นะเดินไปข้างนอกนะมันมืดมีไฟฉายส่องไปความสว่างสว้ก็มาแทนที่ความมืดปัญญาความรู้นะก็เข้าไปแทนที่ความหลงเช่นเดียวกันอั น, น การปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นเรื่องที่เรียกว่าออทำได้นะทได้จริงจริงเห็นผลจริงจริงแต่จะไปคาดหวังว่าจะทำแป๊บเดียวแล้วจะได้ผลตลอดกาลนะจะปฏิบัติธรรมช่วงหนึ่งจะให้มันมันลดธรราให้จิตมันเรียกว่าไ ม, ไม่ไม่ทุกเลยนะมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเพราะบางทีก็สะสมความไม่รู้ความหลงมายาวนานนะเราก็ต้องค่อยๆฝึกหัด จิตใจของเราไปนี่แหละเรียกว่าทําได้ขนาดไหนก็ให้พอใจในผลที่ทําได้ในขนาดนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าพอใจแล้วจะหยุดอยู่กับที่นะบางคนเออเอาแค่นี้แหละนะทําได้แค่นี้ก็ดีแล้วอบุญเราวาสนาเรามีแค่นี้พอใจแค่นี้นะก็ยังไม่ใช่นะนะก็ยังไม่ใช่เมื่อมีอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะให้สันโดษให้สันโดษสันโดษไปว่าพอใจนะ สันโดษในวัตถุสิ่งของภายนอกนะสันโดษในเสื้อผ้าสันโดษในอาหารสันโดษในที่อยู่อาศัยสันโดษในยายรักษาโรคสันโดษในวัตถุสิ่งของภายนอกก็คือว่ามีเท่าไหร่ก็ให้พอใจเท่านั้นแหละนะนะหรือว่าได้มาใหม่ก็ให้พอใจนะหายไปก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นถ้าไม่ใช่สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ก็หามาใหม่นะก็ไม่เป็นไรแต่ท่านไม่ให้สันโดษในธรรมธรรมะนะไม่ให้สันโดษนะไม่ใช่ว่าโอ้ในดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วสบายแล้วกูพอแค่นี้ก็พอพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าพอใจในกุศลธรรมที่ทำแล้วต้องพัฒนายิ่งๆขึ้นไปนะจนทั้งท่านเลิกเคี้ยวเข็นบุคคลเดียวเท่านั้น ท่านเล ren, ิกเขี่ยวเขียนพระอรหันต์นะถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมนะท่านก็ยังต้องบอกเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเสขับุคคลผู้ที่ยังต้องศึกษาผู้ที่ยังต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจตัวเองให้มันละเอียดซึ่งไปเรื่อยๆจนทั่งกลายเป็นผู้ที่ เ, เรียกว่าอัศเซคบุคคลเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วนะเรียนจบเรียนครบเรียนท่วนแล้วพอละไม่ต้องเรียนแล้ว นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนาะดังนั้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นปัญญาเป็นความวิมุตตินะเราต้องควนขวายให้มันจะเดินยิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่เป็นอกุศลเป็นกิเลสเป็นตันหาเป็นสิ่งที่สร้างภพสร้างชาตินะเกิดอุปทานยึดมั่นเหนียวแน่นไว้ก็ต้องเรียกว่ารู้ทันหรือวาละมันไปเรื่อยๆอันนี้แหละถึงจะเป็น เป็นบุญเป็นบาปที่แท้จริงเนาะนะเราต้องรู้จักเนี่ยเรื่องของบุญคืออะไรเรื่องของบาปคืออะไรบางทีถ้าเราไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปนะเราจะทําบุญไม่เป็นทําบุญไม่ถูกหรือบางทีทําบุญนั้นไม่ได้บุญไม่รู้ว่าบาปคืออะไรอยากจะละบาปแต่ละไม่พ้นนะเหมือนกับคว้างบุญแมลงพ่วงไปก็กลับมาเข้าหาตัวตัวเองนะคว่างงูไปงูก็วกกลับมา ทำร้ายตัวของเราเองถ้าเราไม่รู้จักอะไรคือบุญไม่รู้จักอะไรคือบาปนะมันจะทำไม่ได้นะละไม่พ้นบุญคืออะไรบุญคือการละกิเลสนะรู้จักไหมอะไรคือกิเลสละโกรธโกรธหลงนะ่ะเนี่ยคือกิเลสถ้าเราไม่รู้จักละกิเลสนะมันก็ไม่เกิดบุญนะนะจะทำบุญทาทานที่เป็นวัตถุภายนอกขนาดไหน ถ้าไม่รักกิเลสภายในใจนะไม่เกิดบุญนะเราทําบุญทําทานภายนอกก็คือเพื่อสะดักิเลสภายในใจออกไปเนี่ยถึงจะเป็นบุญหรือบางทีไม่ได้ทำบุญภายนอกไม่ได้สดุสระวัตถุสิ่งของภายนอกแต่ทํากิจที่เป็นการภาวนาสะดักกิเลสที่มันเกิดขึ้นภายในใจสะดักความคิดฟุ้งซ่านออกไปสะดักความโลภความโกรธความหลงออกไปนะโอ้นี่แหละใจเป็นบุญทําไมมันมีใน พูดบอกว่าโอ้การภาวนานี้เป็นบุญสูงสุดนะอันนี้แหละก็คือว่าภาวนาไปมสละความโลภความโกรธความหลงสละตัณหาอุปทานออกไปจากจิตใจอันนี้แหละมันเดยกลายเป็นบุญที่สูงก็คือตรงนี้นะไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆนะหรือว่าทำความเพียรโดยไม่สละสิ่งที่เป็นกิเลสภายในใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดบุญบาปคืออะไร บาปก็คือนี่แหละโรคโกรธหลงหมักหมมเข้าไปอุปทานค่ะทั้งห้าก็ยึดแน่นสําคัญหมายไว้อันนี้คือบาปนะถ้าเราไม่รู้จักบาปเราก็ละบาปไม่ได้โอ้วัวบาปเกียรติบาปแต่ละไม่พ้นกลัวงูเกียรติงูอ่าแต่หนีไม่พ้นนะอันเนี้ยละบาปนะก็ต้องละที่จิตใจนี่แหละละความโลภละความโกรธละความหลงออกจากจิตใจเนะี่ยจิตใจมันถึงจะเป็นบุญถึงจะไม่มีบาป เนี่ยสิ่งที่เราก็ทำเนาะที่จริงโอ้พุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากอัศจรรย์ซึ่งสามารถทําได้ทุกคนนะทำได้ทุกคนคนไทยก็ดีคนจีนก็ดีคนกรุงเทพก็ดีคนภาคไหนก็ดีนะทําได้หมดนะเด็กๆ ก, ก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้นะทำถ้าทําจริงๆนะแต่ต้องทําจริงๆหน่อยทําเลื่อนๆนะไม่ค่อยได้ผลหรอกเพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรกิเลสตัณหามันเหนียวแน่นในจิตใจจะคิดว่าจะทําลองดูลองดูแบบเล่นๆ น, นะไม่ค่อยได้ผลหรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยมันหมักหมมในจิตใ จ, ใจมานานนะแต่ถ้าจะต้องลองต้องลองจริงๆนะไม่ใช่ลองเล่นๆ น, นะลองจริงๆเล็กหน่อยนะแต่ลองจริงๆไม่ใช่ทําแบบหน้าดําค้าเครียดเอาจริงเอาจังนะลองจริงๆก็คือว่าเออตั้งใจจริงว่าเอาแต่ว่านะชีวิตนี้นะ อายุก็ปูนนี้แล้วนะบางคนก็ปูนหกสิบเจ็สิบบางคนก็ปูนยี่สิบสามสิบมันก็ปูนนี้ แ, แหละนะไม่รู้จะตายวันตายพุ่งเอาสักชาตินี้นะชาตินึง ล, ลองดูซิทุ่มเทให้กับการปฏิบัติภาวนานะพุ่มเทให้กับเรื่องการดูกายดูใจตัวเองบ้างสินะีนะ่เอาจริงๆแบบนี้ดูสินะไอ ง, งานการงานอย่างอื่นก็อาจจะมีก็ทําไปบ้างแต่ให้การงานในการดูจิตใจดูร่างกายนี่แหละ เป็นงานหลักลองตั้งปฏิ ญ, ญาณแบบนี้ดูไหมชีวิตเราถ้าเราลองตั้งใจแบบนี้อืมเอาเราว่าทําอะไรก็สําเร็จมาพอสมควรแล้วอาจจะมีต้ำเร็วมามากเหมือนกันแหละแต่ต่อไปจะลองเอาดูสิกลับมาดูกายดูใจเอาจริงๆนะลองดูซินะหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าคนจริงได้ของจริงนะถ้าคนไม่จริงก็ไม่ได้ของจริงหรอกนะถ้าเป็นคนจริงสักหน่อยจริงจังกับการภาวนา แต่ไม่ได้จริงจังจนท่านเคร่งเครียดนะจริงจังคือเอาจริงเอาจังนะพยายามทาพยายามตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาจะทำในรูปแบบก็ดีจะทำนอกรูปแบบก็ดีก็ทำความเพียรอยู่เสมอเพราะความเพียรที่แท้คือการทำในใจให้ถูกทำนี่แหละนะทำในใจในการคอยรู้กายคอยรู้ใจนี่แหละเป็นการทำความเพียรที่ที่ถูกต้องที่สุดนะ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินข้าวจะอาบน้ําจะทําอาหารจะทํางานส่วนรวมนะจะพูดจะคุยจะทําอะไรก็แล้วแต่โอ้ยังทําความเพี ย, อยรอยต่อเวลาเนาะนะกลับมาดูตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเราทำความเพี ย, อยรอยต่อเวลาเปลียนในการให้กุศลเกิดขึ้นนะเพียนในการละอกุศลเกิดขึ้นนะละอกุศลไป เกี่ยวการดูกายโดยใจเนี่ยเรามาทําแบบนี้นะถึงจะเป็นสิ่งที่เกิดบุญเกิดกุศลที่แท้จริงเนาะก็อยากให้พวกเราทุกคนได้ได้ตั้งใจภาวนานะได้มีโอกาสเข้าวัดรักษาศีล น, นะได้มีโอกาสฟังธรรมได้มีโอกาสเกิดทันพุทธการสมัยพุทธเจ้าแล้วก็อย่าให้มันเสียชาติเกิดเนาะให้อาศัยชาตินี้ชีวิตนี้แหละนะมันจะเดือมากเหลือนน้อยไม่รู้หรอกนะ แต่เราจะใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะไม่ใช่ใช้ชีวิตอย่างลองถูกลองผิดแต่เราจะลองใช้ชีวิตอย่างที่มีผู้รู้คอยบอกทางไวส้สิผู้รู้ในที่นี้คือใครก็คือคนที่เรานับถือนั่งไงพระพุทธเจ้าท่านลองถูกลองผิดท่านบอกทางไว้แล้วลองใช้ชีวิตตามผู้รู้ที่เรานับถือบอกทางไวส้สินะลองทําดูลองทําดูทำที่ท่านบอกนั่นแหละ ทำโดยได้จะเกิดผลอย่างไรเนาะถ้าเราศรัทธาเพราะพุทธเจ้าที่แท้จริงนะให้ลองทําตามสิ่งที่ท่านไม่ใช่ศรัทธาแค่กราบไหว้พุทธังนะสารนังขชามินะแต่เราศรัทธาโดยเอาใจเราน้อมปฏิบัติตามด้วยศรัทธาในครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะแล้วก็ทําตามในสิ่งที่ท่านบอกที่ท่านสอนเนี่แหละเป็นศรัทธาที่แท้จริงเนาะก็อยากพวกเราได้เกิดศรัทธานะ ในแนวทางที่ถูกต้องนะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่ใช่แค่ศรัทธาแค่ลมปากนะแต่ไม่ใช่พูดสบประมาทใครนะมาขอโทษ ถ, ถ้าคิดแบบนั้นไปแต่ให้เราเกิดศรัทธาแล้วนําไปสู่การกระทำนะศรัทธาเชื่อเคารพนะในครูบาอาจารย์ในพระพุทธเจ้าก็เกิดการกระทําทําตามสิ่งที่ท่านบอกที่ท่านสอนนะทำให้ถูก ทำให้เรียกว่าสมควรแล้วก็จะเกิดผลเนาะในการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ตั้งใจภาวนาแล้วก็ให้ประสบพบเห็นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านด้วยเทิน